พุทธะนักรรมเอกมวนที่สามโดยพระอาจารย์มหามนูสุมโนจเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้เราก็มาว่าบทเรียนพระประมสมโพธิบริเชษที่ห้ากันต่อไปในครั้งที่แล้วนั้น ได้เรื่องกล่าวถึงปริเชตที่ห้าเรื่องราชาพิเศษปริวัติในเนื้อความแห่งในปริเชตนี้ก็หมายถึงว่าตอนว่าด้วยอภิเศษสมรสของกษัตริย์ในที่นี้ก็หมายถึงการอภิเศษสมรสของเจ้าชายสิทธะราชกุ ม, มารพระบรมโพธิสัตว์กับพระนางเจ้ายโสธราหรือพิมพา เมื่อครั้งที่แล้วนั้นก็ได้กล่าวมาจนถึงเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นประสูติได้เจ็ดวันพระพุทธบิณาพระนางเจ้าสรีมหามายาก็เสด็จที่วงคตรหรือว่าสิ้นพระชนไปพระเจ้าสุโธมหามุโทโธธนะมหาราชนั้นก็จึงได้ทรงมอบหมาย ในการดูแลนี้ให้อยู่ในความดูแลของพระนางเจ้าพระนางประชาบดีโคตมีพระแม่นะซึ่งเป็นพระนิธิพระคินีของพระนางเจ้าสลีมหามายานั่นเองซึ่งพระนางเจ้าสรีมหามายาซึ่งพระนางประชาบดีโคตมีนี้ก็ได้เป็นพระอัสมเหสีของพระเจ้าสุโธธนะสืบต่อไป พระเจ้าสุดโทธนนะนั้นก็ได้รับสั่งให้จัดหาพี่เลี้ยงในนางนมจำนวนหกสิบท่านหกสิบคนด้วยกันแต่ละนางนั้นก็มีความสวยงามปราศจากโทษทั้งหลายก็คือไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปไม่อ้วนเกินไปแล้วก็ไม่ผอมเกินไป ไม่ดำเกินไปแล้วก็ไม่ขาวเกินไปซึ่งเรียกว่าจัดอยู่ในความที่แต่ะนางมีความสวยงามคือปราศจากโทษสี่ประการนี้จะปราศจากโทษหกประการนี้เสียคอยบำรุงเลี้ยงพระราชโอรสนอกจากนี้แล้วยังรับสั่งให้เลือกสรรหาสตรีที่มีลูกงดงามเลิศเนี่ยทั้งที่ฉลาดในราชการพึ่งพวงอีกร้อยแปดสิบคน ให้ช่วยกันคอยบริาบริบาลรักษาพระราชโอรสแล้วก็รับสั่งให้จัดบุรุษคอยช่วยเป็นพี่เลี้ยงนางนมช่วยเลี้ยงช่วยเหลือพี่เลี้ยงนางนมอีกจำนวนหกสิบคนและให้เมียห ม, มาดดูแลรัชกิจทั่วไปอีกจำนวนหกสิบคนจึงรวมแล้วเป็นสตรีถึงสองร้อยสี่สิบคนบุรุษเพศนั้นอยู่จำนวนถึงร้อยยี่สิบคน ในจำนวนทั้งหมดนี้ก็รวมแล้วเป็น360คนนั้นให้มีหน้าที่ดูแลธนุธนอมพระราชโอรสอยู่ตลอดมานอกจากนั้นแล้วรเราพระประยุรญาติหรือพระ บ, ร, ะบรมวงศานุวงศ์นั้นจำนวนถึง 116,000 พระองค์นั้นหรือว่าตระกูลนั้นน่ยได้ถวายพระโอรสของพระของตนแต่ละตระกูลละองค์นั้นรวมถึงหนึ่งหมืนหกพันพระองค์เพื่อให้เป็นบริวารของพระราชโอรสหรือเจ้าชายทิฐนี้ตระกูละองค์ต่อไปด้วยอยู่มาวันหนึ่งที่ เจ้าชายศิษฐกุมารนี้ได้จเจริญวัยสืบต่อมาจนกระทั่งมีพรรษาอยู่การได้ถึงเจ็ดพรรษานั่นอยู่มาวันหนึ่งก็เป็นวันวัปปะมงคลวัปปะมงคลนี้ก็คืองานพระราชพิธีแลกนาขวัญวั ป, ปะมงคลคืองานพระราชพิธีแลกนาขวัญ พระเจ้าสุโธธนามหาราชก็เสด็จไปประกอบพระราชาพิธีนั้นด้วยพระองค์เองแล้วก็รับสั่งให้เชิญพระราชาโอรสไปร่วมในพิธีนี้ด้วยและก็จัดให้พระราชาโอรสนั้นให้ประทับอยู่ในที่ใกล้โรงพระราชาพิธีซึ่งใกล้นั้นก็มีต้นว่าใหญ่ต้นหนึ่ง มีล่มเงาอันเย็นละลื่นเจ้าพนักงานก็จึงได้ตกแต่งสถานที่นั่นแหละอันเชิญพระราชกุมาร น, นั้นประทับภายใต้ตนวาแล้วก็ดดยเพดานไปด้วยผ้า้ายผ้าลายทองผูกมัดเว้รอบตนวานั้นให้ราชบุตรเฝ้าอารักขาอยู่ภายนอกพระราชกุมารก็ประทับอยู่บนประท่นบันทม พรพี่เลี้ยงนางนมก็เฝ้าบริวารอยู่พร้อมหน้าขั้นได้เวลาที่จะประกอบพระราชพิธีแล้วสมเด็จพระเจ้าสุโธทนะมหาราชก็เสด็จไปสู่ที่แรกนาขวัญคือพระเจ้าสุโธทนะนีทรงสเสด็จแรกนาขวัญด้วยพระองค์เองซึ่งประเพณีความจริงแล้วเมืองไทยเราก็ได้สืบทอดกันมาจากชมพูทวีปสืบต่อมา แต่ว่าเมืองไทยนั้นพญาแลกนาขวัญ น, นั้นเป็นผู้แรกอองค์ประมหากษัตริย์นั้นเป็นตเพียงประทับนั่งเป็นประธานในงานาพระราชพิธีเสด็จแลกนาขวัญนั้นโดยจัดสถาปนนาให้พญาแลกนาขวัญนั้นเป็นผู้แรกแทนแต่เมื่อครั้งโบราณการนั้น นที่แดนชมพูทวีปพระเจ้าสุโธธนะมหาราชนี้สเสด็จแรกโดยพระองค์เองเลยพระเจ้าสุโธธนะนั้นมหาราชนั้นพระองค์ก็พระองค์นั้นรประกอบทางเกษตรกรรมเหมือนกันคือการทำไร่ทำนาแต่ก็ได้ใช้ค่ารับผลิปานั้นให้กระทาพื้นไร่พื้นนาที่จะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ ประกอบรายได้ให้ขึ้นแก่ตระกูลหรือว่าพระราช บ, บัณลังเหมือนกันในการทำลายธนาดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่พระนามของกษัตริย์แห่งสักยะวงนี้ปรากฏก็าชื่อประกอบไปด้วยข้าวปราธัญญาหารทั้งนั้นเช่นคำว่าสุทโทธนะก็หมายถึงว่าสุทธะ ส, สุทธะนี้ก็ บริสุทธิ์โพทนะก็แปลว่าข้าวสุกเหล่านี้เป็นต้นพระนามของพระองค์นั้นประกอบไปด้วยข้าวปลาอาหารทั้งนั้นก็แสดงถึงว่าพระองค์นั้นตระกูลแห่งกษัตริย์แห่งสกยะนี้มีอาชีพในการทาํานาดังนั้นเมื่อถึงในพระราชพิธีว่าประมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลในการที่จะหวาน ข้าวปลูกข้าวปลูกนาที่จะได้ให้มีระลราผลมากขึ้นมาก็จึงได้ประกอบพระราชพิธีบวงสวงทวยเทพเทวดาทั้งหลายก็ทำพิธีวัปะมงคลเป็นการแลกนาขวัญเป็นครั้งแรกซึ่งประเพณีนี้ชาวไทยเราก็ได้ถือสืบทอดกันมาตามโบราณ น, นั้นได้ยินมาว่าประชาชนประเทศไทยเหล่านั้นจะไม่ยอมไถนาก่อนก่อนที่ ทางราชการจะมีพิธีแรกนาขวัญต่อเมื่อแรกนาขวัญแหละประชาชนจริงจะเริ่มการทำนาไถนากันขึ้นนี่เป็นเพณีสืบกันต่อมาแต่ปัจจุบันนี้ประเพณีอันนี้ก็การถือกันเช่นนี้ก็เป็นการที่เรียกว่าเสื่อมสูงกันไปซึ่งบางครั้งเมื่อฝนตกแล้วก็เริ่มที่จะทำนาทำไร่กันขึ้น พระเจ้าสุดโทธนะนั้นเมื่อถึงเวลาอันประกอบไปได้วยเลิกอันมงคลแล้วก็เสด็จออกไปสถานที่มงคลในวิธีเสด็จเข้าแรกนาะขวัญด้วยพระองค์เองขณะนั้นพระพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายจึงได้ชวนกันไปชมพระราชพิธีนับพายนอกมาบ้านอาหมันโดยปล่อยทิ้งให้พระราชกุมารนั้นประทับอยู่แต่พระองค์เดียวภายในม้ พระชกรุมานนั้นเมื่อเห็นพวกพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายออกไปนอกบ้านแล้วก็เห็นเป็นโอกาสอันเหมาะเป็นที่วิเวกสงัดปราศจากคนก็จึงเสด็จประทับนั่งขัดสมาธิเจริญอาณาปณสติก ร, รมฐานเจริญ อ, อาณาปณาสาติก ร, รมฐานนี้ก็คือการที่ใช้สติกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดลมหายใจเข้าออก ที่ตามสำนักวิปัสสนากรรมฐานต่งตางๆบางครั้งก็ใช้คําว่าพุทเข้าโทออกผู้พุ ท, พทหายใจเข้าโทรห้ยใจออกที่เราเรียกว่าเจริญกรรมฐานโดยอาศัยคําว่าพุทโทรหรือสัมมาอรหังหรือแม้แต่บางสำนักก็ใช้คําว่าพุทยุกหนอพองหนอก็คือว่าพองนั่นหมายถึงว่าหายใจเข้าคือท้องพองหายใจออกคุณท้องทอง้ทองยุกโดยประการนี้จะใช้คําว่าสัมมาอรหัง หรือว่าจะใช้คำว่าพุโทโธหรือจะพองหนอยุคหนอนี้ก็เป็นอุปเทศอันหนึ่งเท่านั้นในการที่จะเจริญอาณาปณสติกำหนดลมหายใจเขาออกองค์พระโพธิสัตว์คือเจ้าชายิทะราชกุมารนี้ทรงประทับเจริญอาณาปณสติกรรมฐานจนกระทั่งจิตเป็นเอกตาแล้วก็จึงได้บรรลุปฐมฌาน ได้บรรลุปฐมวชารนซึ่งในไม่ได้บรรลุปฐมวชารนนี้ปฐมวิชานนี้ประกอบไปด้วยองค์ห้าคือมีวิตกคือการตรึกวิจารณการตรองปิติความอิ่มใจสุขคือความสบายแล้วก็เอกขคะตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่วอกแวกไปทางที่อื่นได้บรรลุปฐมวชารนเวลานั้นก็เป็นเวลาบ่ายคล้อยไปแล้ว เงาไม้ทั้งหลายที่ต้นไม้อื่นๆนั้นก็ชายไปตามดวงตะวันแต่ว่าเงาต้นว่านนี้ก็ไม่ได้ชายไปยังคงเป็นล่มเงาดุกอยู่ในเวลาเที่ยงวันพระพี่เลี้ยงนางนมนั้นเมื่อตอนเองรู้ว่าทาพี่แอ ได้ทิ้งพระโพธิสัตว์มาเป็นเวลานานแล้วเมื่อรู้ตัวขึ้นแล้วก็หลึพากันกลับมาดังที่อย่างที่พระโพธิสัตว์ประทับอยู่เมื่อได้เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นเห็นพระโพธิสัตว์กำลังนั่งเจริญสมาธิอยู่แล้วก็เห็นเงาต้มต้นไม้ว่านะมิได้ชายไปในไปในที่อื่นเหมือนกับเงาไม้ทั้งหลายก็เกิดความมหศัศจรรย์ขึ้นก็จึงได้พากันไปกราบทูลเรื่องนี้เด็ดแต่พระเจ้าสุโธธนะมหาราช พระเจ้าสุดโทนะมหาราชพร้อมด้วยราชบริพารเมื่ได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็เสด็จมาโดยเร็วต้องการที่จะทอดพระเนตรให้เห็นด้วยประจักษ์สายพระเนตรของพระองค์เองไม่ได้มาถึงที่ประทับของพระโพธิสัตว์นั้นก็ได้ทอดพระเนตรเห็นปฏิหารเช่นนั้นด้วยความเกิดความเริ่มใส่ศรัทธากึ้นมาก็จึงได้ยกพระหัตถ์ขึ้นนมัส ก, การพระราชกุมาร โดยการกล่าวว่าการวันทันาการไหว้ครั้งนี้หรือการอภิวาทครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในครั้งแรกนั้นการเมื่อประสูติใหม่ๆใครจะให้ถ ว, วายนามนส ก, การพระดาบทดแต่กลับกระทาปฏิหาริย์ขึ้นไปยืนบนชนดาของสดาบสดเองอาตมาก็จึงได้ประนษว่ายเป็นครั้งแรก และในครั้งนี้ก็อัญเชลีเป็นเขาลบสองนี่เป็นการที่เรียกว่าพระเจ้าสุโธนะไหว้ลูกชายของตัวเองหรือว่าพ่อไหว้ลูกเป็นครั้งที่สองดังนั้นก็จึงเมื่อเสร็จพระราชพิธีแล้วก็จึงได้ให้อัญเชิญสเสด็จกลับพนครอยู่ต่อมาเมื่อพระโพธิสัตว์นั้น มีพระชนมายุได้เจ็ดพรรษาในปีนั้นเนละพระราชบิดาก็จึงรับอก็จึงได้ตรัสถามพวกอมา ร, ราชาบริีพานทั้งหลายว่าธรรมดาเด็กทาลกที่อายุเจ็ขวบนี้ชอบอะไรมากชอบใจในการเล่นอะไรมากหมู่อมาทั้งหลายก็กราบทูลว่าเด็กอายุเจ็ขวบนี้ชอบเล่นน้ำชอบเล่นน้ำดังนั้นพระองค์ก็จึงตรัสสั่งให้ขุดสะขึ้นสามสระ ให้ขุสะโบกรณีขึ้นสามสักคำว่าสะโบกรณีนี่หมายถึงว่าสะที่ปลูกบัวโบกระนี่แปลใบบัวสะโปกรณีก็แปลว่าสะที่ปลูกบัวพระองค์ทรงตรัสให้ให้ขุขึ้นสามสักด้วยกันสําหรับปลูกบัวแต่ละสารนั้นก็ปลูกดูบัวคนละประเภทสะลูกหนึ่ง ให้ปลูกปทุมบัวหลวงให้ปลูกบัวปทุมที่เรเรียกว่าปทุมคือบัวหลวงเป็นบัวที่เราบูชาพระประเภทสีดอกอ่าจะค่อนข้างไปแดงๆในหน่อยเนี่ยปฐุมบวนหลวงอีกสระหนึ่งทรงให้ปลูกอุบลบัวอุบลบัวขบับคือบัวขบับบัวขาบนี่ก็ บัวที่เรามาบูชาพระที่เป็นออกจะสีไป็นเขียวหน่อยๆเรียกว่าบัวขาวส่วนอีกสระหนึ่งก็ให้ปลูกบุญทลิกคือบัวขาวบุญทลิกบัวขาวไว้สามสระเพื่อสําหรับให้เป็นที่เล่นอันสํารานให้เป็นที่เล่นสํารานของพระโพธิสัตว์คือพระราชกุมารอันนี้ก็เพื่อจะให้พระราชกุมาร น, นั้น หลงและเลงอยู่ในโลกียวิสัยตั้งแต่เล็กๆนะดังนนั้นดึงเห็นว่าอายุเจกขวกนี้ชอบเล่นน้ำก็จึงให้ขุดสระขึ้นภายในพระราชินิเวศแล้วก็จึงได้ให้ตกแต่งสระนั้นอย่างสวยงามให้ปลูกบัวต่างๆมีดอกบัวนานาชนิดน า, นานาพันธุ์ทรงปลิ่นหอมระลื่นแล้วก็มีท่าสำหรับที่จะลงสระ เพื่อเป็นที่สบายในการที่ลงสะแล้วในพื้นสะนั้นก็ทําให้เป็นคุ้มคดเพื่อให้ให้หาความสําราญในอในสะนั้นน้ําสะนั้นก็ใสสะอาดเย็นสบายน่าลงอาบเล่นเป็นอย่างยิ่งและนอกจากนั้นแล้วก็ยังให้มีเรื อ, อเรือสําหรับที่จะให้พระโพธิสัตว์นี้ได้ เมื่อไม่ต้องการที่จะไหวยน้ําเล่นน้ําก็ให้ลงเรือที่สําหรับที่จะพายเล่นในน้ําเรือนั้นก็ประกอบไปด้วยประดับไปด้วยทองปรประดับไปด้วยทองต่างๆประดับไปด้วยทองเรีเงินแก้วแหวนต่างๆเพื่อให้พิที่เล่นสานํารารสุขของพระโพธิสัตว์นั้นในเมื่อพระองค์ต้องการ อยู่ต่อเจ้าอยู่ต่อมาจนกระทั่งพระราชกุมารนั้นมีพระชนมายุได้ถึงสิบหกพรรษามีพายุได้ถึงหกสิบหกพัาพระราชบิดา น, นั้นก็เห็นว่าควรที่จะมีพระเทวีได้แล้วเพราะเพื่อต้องการที่จะชักจูงให้ ร่วมหลงอยู่แต่ในโลกีวิสัยเพราะพระองค์ไม่ค่อยจะสบายพระไทยนะักในเมื่อหัวราจาร์ทั้งหลายทั้งเจ็ดท่านแล้วก็ยังมีพวกขนหลวงแล้วก็ยังมีกบิลดาบทนั้นแล้วยังมีเทวเกวลแอแล้วยังมีกาลเดวินดาบทอีกได้ทานายทายทักไว้ว่า เจ้าชายศรีธากุมานีจะต้องออกบรรพชาอย่างแน่นอนก็จริงในตรัสถามถึงเหตุที่จะเป็นมูลเหตุให้เกิดบ ร, รพชาพวกโขนทำนายทั้งหลายก็ว่าพระโพธิสัตว์นี้จะปรปสบพบเห็นถึงคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วจะเกิดความสังเวชก็จะออกบวช ด, ดังนั้นพระเจ้าสุโธทนะน่จินพยายามนักหนาที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้ คือไม่ให้เห็นคนแก่ให้เห็นคนเจ็บคนตายให้ห่างไกลไปต้องมีคนคอยที่เราแวดระวังเพื่อไม่ให้พระโพธิสัตว์นี้ประสบแตสิ่งนี้ให้ประสบแต่หญิงสาวที่งามบริสุทธิ์ที่สวยงามที่ยังอยู่ในวัยสาวน่าชื่นชมยินดีพิโลมยินดีในเรื่องการมอาขุนเพื่อจะให้หลงอยู่เฉพาะในเรื่องโลกีวิสัยนี้ดังนั้นแม่แบบเมือ่อพระชนมายุได้ 16, สิบหกพรรษา ก็จึงจับให้มีจะให้จัดให้ใหอภิเศษสมรสเลยดังนั้นเมื่อเห็นว่าพอที่จะอภิเศษสมรสได้แล้วก็จึงตรัสให้ปลูกประสาทขึ้นสามหลังประสาทขึ้นสามหลังนี้เพื่อให้เหมาะสมให้อยู่เหมาะสมแก่ฤดูกาลความจริงประสาสามหลังนี้หลังหนึ่งนั่นอันเป็นที่อยู่ในหน้าฤดูหนาวนั้น ก็ให้สร้างเป็นประสาทเก้าชั้นประสาทเก้าชั้นนี้ชื่อว่ารัมยะปราสาทสำหรับเหมาะแก่การอยู่ในหน้าฤดูหนาวปราสาทหลังที่สองนั้นชื่อว่าสุระมยะประสาทปราสาทหลังนี้ให้สร้างขึ้นมีพื้นห้าชั้นอันเป็นปราสาทที่ให้เหมาะแก่การอยู่ในหน้าฤดูร้อน และปราสาทอีกหลังหนึ่งคือชื่อว่าสุขประสาทสุขปราสาทปราสาทหลังนี้ให้สร้างขึ้นมีพื้นมีชั้นอยู่เจ็ดชั้นเพื่อให้เหมาะแก่ในหน้าฤดูฝนเพื่อที่จะให้พระโพธิสัตว์นี้อยู่อย่างเกษมสุขสารลันแต่ความจริงแล้วปราสาทสามหลังหรือบ้านสามฤดูนี้ พระราชามหาษัทด์หรือเศรษฐีมหาเศรษฐีแห่งชาวชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียนั้นถ้าเป็นพระราชาเป็นผู้ที่เศรษฐีมีเงินเสียอย่างก็ต้องมีไว้อันนี้ไม่มีไว้นั้นไม่ใช่เพื่อแสดงถึงความมั่งมีสีรสุขหรือเพื่อเป็นสิ่งที่ประดับเกียรติของตนเองแต่ว่าเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของตัวเองก็เพราะเหตุที่ว่า อากาศในชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียนั้นเป็นอากาศที่เราลุนแรงมากร้อนก็ร้อนจัดถึงขนาดที่ว่าคนตายหนาวก็หนาวจัดถึงขนาดคนตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่มีบ้านสามฤดูหรือประสาทสามฤดูนี้ก็เพื่อรักษาชีวิตของตัวเองเท่านั้นเองประสาทแต่ละอย่างนี้ก็สร้างให้เหมาะสมกฤดูกาล ข, ของแต่ละฤดูการ เช่นหน้าหนาวก็ทำให้ที่คับแคบหน่อยหญ้าที่ลงจะเข้าไปทำให้เกิดความหนาวได้เวลาหน้าร้อนก็สร้างให้ปโปร่งหน่อยเวลาหน้าเวลาหน้าฝนนี้ก็สร้างให้เหมาะสมกันฝนที่จะสาเข้าไปได้ไง่ายดังนั้นประสาททั้งสามหลังนี้จึงมีชั้นไม่เสมอกันสำหรับหน้าฤดูหนาวนั่งเก้าชั้นหน้าฤดูร้อนนั้นห้าชั้น น่าและดูฝนนั้นเจ็ดชั้นแต่ทั้งสามหลังนี่สูงเท่ากันเนี่ยสูงเท่ากันสูงเท่ากันหมดอันนี้เพื่อให้เป็นที่อยู่สำรานแก่พระราชกุมารเมื่อสร้างปราสาทและประดับประดาได้อย่างสวยงามทั้งประตูหน้าต่างแกะสลักลวดลายอวิจิพิสดาล เพดานและเสานั้นก็เขียนลวดลายงดงามหาทิติิม่ได้รอบๆมหาวิสานตนั้นก็ให้ขุดสะบกรณีไว้อย่างสวยงามน่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่งครั้นได้สร้างปราสาททั้งสามหลังเสร็จบริบูรณ์แล้วพระเจ้าสุโธทนะมหาราชนั้นก็มีพระประสงค์ที่จะอภิเษกเจ้าชายศิษฐกุมารให้ครองราชสมบัติสืบต่อไป ก็จึงมีพระราชองการนั้นแจ้งให้กษัตริย์ศากยะทั้งหลายให้ถวายพระราชบิดาของตนของตนนั้นพระราชธิดาของตนของตนนั้นแก่พระเจ้าสิทธัตถ์แต่ขณะนั้นกษัตริย์ศักยะราทั้งหลายก็ไม่มิได้ส่งพระราชธิดามาถวายก็เพราะได้เห็นว่าเจ้าชายสิทธัตถนี้ยังไม่ได้ศึกษาศิลปะวิทยาอันใด แต่ว่าเจ้าชายศิทธากุมารนี้ก็ได้ศึกษาอยู่แต่พวกบรรดากษัตริย์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ทราบดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเจ้าชายศิทธากุมารนั้นก็จึงกราบทูลพระเจ้าสุโทโธนะสั่งให้ประชุมพวกบรรดาสกยาลาทั้งหลายกษัตริย์สกยาธทาชั้งหลายให้มาประชุมกันเพื่อจะแสดงศิลปะที่ตนเองได้รับการศึกษามา ดังนั้นเมื่อหมู่พระยาทั้งหลายได้มาประชุมกันแล้วก็จึงได้แสดงศิลปะเกี่ยวกับเรื่องการยิงธนูเป็นต้นซึ่งการยิงธนูของพระองค์นั้นเป็นศิลปาศาสตร์ชั้นเลิศที่หาคนใดคนหนึ่งที่จะเทียมมิได้ท่านกล่าวว่าในระยะประมาณหนึ่งโยชนี้พระองค์สามารถที่จะยิงได้ถูกขนท่ายนะซึ่งอยู่ในระยะหนึ่งโยดได้แม่นยำได้ถูกต้องก็ปรากฏว่า พระองค์นั้นทรงแม่นยำเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการยิงธนูนี้หาใครเสมอเหมือนไม่ได้ดังนั้นกษัตริย์สากยราชทั้งหลายก็จึงได้พอพระไทยที่จะถวายพระราชินดาของพระของตนของตนแก่เจ้าชายเสด็ถับซึ่งรวมแล้วท่านบอกว่านางกษัตริย์ทั้งสิ้นที่ได้มาถวายนั้นประมาณถึงสี่หมื่นนางพระเจ้าสุโทธทนะก็จึงได้จับ การราชาพิเศษเจ้าชายสิทานั้นกับพระ น, นางยโสธรานหรือพิมพาซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าสุปปุท ธ, ธะกับพ น, นางอมิตาอมิตากับพระ น, นางอมิตาเทวีซึ่งเป็นพระกนิษฐภคินีของพระองค์เองคือน้องสาวผู้คลองกรุงเทวทหะก็โดยการสถาปนาพ น, นางเจ้ายโสธรานี้ขึ้นเป็นอัครมเหสี เจ้าชายธิทากุมารนั้นก็ไดเ้เ่วยสุขสมบัติในปราสาททั้งสามหลังอันพลั้งพร้อมไปด้วยนางกษัตริย์และสนมกำนันในทั้งหลายโดยมีพ น, นางเจ้าสิริมหามายาหรือพ น, นางยาโสถลานีเป็นอัครมเหสีพิลมสุขกันสืบต่อมาจนกระทั่งโจกจวกจนพระชนมายุได้ยี่สิบเก้าพันษา ก็เป็นอันว่าเจ้าชายสิทธากุมารนี้ได้เสวยสุขแกมูนางกำนันทั้งหลายตลอดทั้งตลอดกาลมาจนถึงอายุ49พรรษานี้โดยที่ไม่มีบุรุษใดๆเจือปนซึ่งในเวลาตลอดวันตลอดคืนนั้นก็มีพวกสตรีล้วนๆซึ่งขับกล่อมประโคมดนตรี ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนดุ๊กเหมือนก็ว่าพระองค์นั้นเสวยที่พระยสมบัติอยู่ในเท พ, พวิมานเท่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพราะเหตุที่พระเจ้าสุโธทนะนั้นต้องการให้พระาราชโอรสของพระองค์นั้นลุ่มหลองอยู่อยู่เฉพาะในโล ก, กุตติวิสัยเท่านั้นไม่ให้คิดเบื่อหน่ายในโล ก, กุตวิสัยและออกบรรพชาเสีย ก็ต้องการที่จะให้พระราชโอรสนั้นเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมากกว่าที่จะให้เป็นศาสดาเอกของโลกเอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงแค่นี้ขอความเจริญพาสุขสวัสดีจงมีแก่นักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยกันขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดี ท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาพูดถึงปริเชตที่หกในหนังสือพระปัตถมสมโพธ์ต่อไปในปริเชตที่หกนี้ว่าด้วยมหาพินิคมณะปริวัติก็หมายถึงการออกบรรพชาในปริเชตนี้ว่าด้วยตอนที่ การที่พระโพธิสัตว์เสด็จออกสู่มหาพิเนสกรมก็คือออกบวชนั่นเองซึ่งในบริเชษนี้ความก็มีว่าเจ้าชายศีิษฐกุมาร น, นั้นได้ทรงรับการบำรุงบำเรอในความสุขดังกล่าวมาแล้วจนกระทั่งถึงพระชนมายุได้ยี่สิบเก้าพรรษา อยู่มาวันหนึ่งพระองค์มีพระประสงค์จะเสด็จประพาสพระราชอุทยานจึงรับสั่งให้ในายสารถีนี่เตรียมรถพระที่นั่งนายสารถีก็ได้ดปฏิบัติตามพระราชดำรัสเจ้าชายทิทากุมาณี้ก็จึงได้ทรงรถพระที่นั่งนัน้เสด็จออกจากพระนครมุ่งไปยังพระราชอุทยาน ในระหว่างทานนั่นเองก็ได้ทอดพระเนตรเห็นคนชลาคนหนึ่งจึงตรัสถามในสารถีว่าคนที่ผมงอกสีข้างคดคอค้อมหลังงอเหล่านี้นะเนื้อไปขนาอย่างนี้ถือไม่เท้าเดินมานะเป็นใครกันในสารถีก็กราบทูลว่าคนนั้นเขาเรียกว่าคนชลาจึงตรัสซักต่อไปว่า คนชลาน้ำหมายความไปอย่างไรในสารถีกลาทุนว่าคนชลาก็คือคนแก่คนเท่า <c oughs> แล้วคนทุกคนนั้นจะต้องแก่เท่าด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะพ้นไปได้เจ้าชายสิทธัตถะทรงสุนับเช่นคําชี้แจงท่นนี้แล้วก็เกิดความสังเวชในพระไทยว่าตนเองนี้ก็ไม่จะพ้นไม่สามารถที่จะพ้นความเป็นคนแก่อย่างนี้ไปได้ เมื่อเกิดสังเวชสรดประทัยแล้วก็จึงสั่งให้ในายรารีเนี่ยขับกลับพระนครเลยยังไม่ทันที่จะถึงพระราชอุทยานเรื่องนี้พระาราชบิดาทรงเศร้าเข่าก็ตรัสให้เข้มงวดกดขันหนักขึ้นอีกเพื่อป้องกันให้คนชลาในปรากฏในสายตาหรือสายพระเนกของเจ้าชายศรีถะกุมารสืบต่อไปต่อมาเจ้าชายศรถะ ก็ได้เสด็จประพาสพระอุทยานอีกเป็นครั้งที่สองในครั้งที่สองนี้ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บกำลังนอนครวนคลางอยู่กลางหุ่นทาง mm. ก็จึงได้ถามดุจในก่อนเกิดความสังเวชสรดพระไัยก็เสด็จกลับอีก mm. ในครั้งที่สาม ก็เสด็จประพาสพระอุทยานอีกก็ได้ไปพบออกคนตายนอนตายอยู่ในระหว่างบนทางจึงได้ถามในสารสีในสารถีก็ได้อธิบายถึงเรื่องความตายว่าคนเราเกิดมาต้องตายทุกคนไม่มีใครที่จะรอดพ้นไปได้พระองค์ก็เกิดความสังเวชว่าพระองค์แม้พระองค์เองก็ไม่สามารถจะคบล่วงพ้นความตายไปได้ ไม่สามารถที่ร่วงพ้นความตายไปได้ปราลบถึงเรื่องความแก่ความเก็บความตายชนีดแล้วก็ทําให้พระองค์นี้บรรเทาความเมาไว้ได้ถึงสามประการก็คือหนึ่งเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวสองเมาในความไม่มีโรคและสามเมาในชีวิตโดยที่พระองค์ ห, นหวนมัน ล, ลึกถึงว่าพระองค์ก็จะต้องตายเกิดมาทุกวันทุกวันนี้ ก็เพื่อที่จะคอยตายคนเรานั้นเรื่องความตายนั้นมันไม่มนไมแน่ไม่แน่เสมอไปว่าคนแก่จะตายก่อนคนหนุ่มสาวหรือคนที่จะตายนั้นต้องเป็นคนแก่เสมอไปอาจจะตายเมื่อตอนหนุ่มเป็นสาวก็ได้เพราะชีวิตคนเราเนี่ยไม่แน่บางคนก็ตายที่ยังอยู่ในครรนก็มีออกมาและตายอยู่ในวัยรุ่นเด็กอ่อนก็มี บางคนก็ตายอยู่ในวัยรุ่นหนุ่มสาวก็มีไม่แน่เพราะฉะนั้นคนหนุ่มคนสาวรุ่นเด็กนี่นก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะตายก่อนคนแก่ได้ดังนั้นพระองค์ก็บรรเทาคว้าแอบมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเสีย ซ, ซึ่งบางคนนั้นเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดว่าตัวเองยังห่างไกลต่อความตายเปน็นมากเพราะฉะนั้นในข้อ น, นี้เป็นของไม่แน่นอนยิ่งในปัจจุบันนี้ ในท้องถนนทถนท น, นหลวงก็มีมากมายอาจจะเมื่อไหรเมือม่อใดบุญหนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่ทันจะรู้ตัวเ <c oughs> มอร์ในประการที่สองคือความนไม่มีโลกคนเราไม่ใช่ตายเพราะโรคไม่ใช่ตายเพราะการที่เป็นโลกเสมอไปบางครั้งอาจจะตายด้วยอุปตทวะเหตุก็ได้ซึ่งบางคนไปมัวมาว่าตนเองนะ่ะเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคต่างๆดูแล้วเหมือนกับว่า จะตายยากแต่ก็ไม่แน่ปุ๊บปั๊บอาจจะตายเลยก็ได้โดยอุปตวเหตุหรือมิฉะนั้นก็ด้วยเรียกว่าลมปัจจุบันที่เราเรียกกันปัจจุบันนี้ก็ว่าหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวนั่นแหละเมาประการที่สามก็ในชีวิตชีวิตคือความเป็นอยู่บางคนในเกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่ง ล, ำล่ำรวยก็คิดว่าตัวเองตายยาก เพราะเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยตนเองก็มีเงินมีทองรักษาสามารถที่จะซื้อยาได้ทงแพงหรือหมอดีๆมารักษาได้แต่คนเราเมื่อถึงคราวจะตายแล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีมีเงินเท่าไรก็ตายได้กันทั้งนั้นมีสิทธิ์จะตายได้ทุกคนเงินนี้ไม่สามารถที่จะซื้อชีวิตได้ถ้าเงินสามารถซื้อชีวิตได้แล้วเศรษฐีพระราชามหาศก ษ, ษิย์ก็คงจะไม่ตายแต่นี่ปรากฏว่าตายหมดได้กันทั้งนั้นไม่มีใครเหลือเลย เมื่อพระองค์มาใคร้คนอย่างนี้แล้วก็ทำให้พระองค์เนี่ยปราศจากความโมเหสามประการนี้เสียได้ก็มาเกิดความคิดต่อไปว่ากิจนาต่อไปว่าธรรมดาในโลกของเหล่านี้มันมีสิ่งที่แก้ไขเป็นสิ่งที่แก้กันเช่นมีร้อนก็มีเย็นแก้มีสว่างก็มีมืดแก่มีกลางวันก็มีกลางคืนแก่เพราะฉะนั้นมีการแก่การเจ็บการตายก็น่าจะมีสิ่งที่ กันหรือว่าห้ามไม่ให้มีการแก่การเก็บการตายได้บ้างพระองค์ทรงดำริเช่นนี้ดังนั้นในวาระที่สี่พระองค์ได้เสด็จประพาสพระอุทยานก็ได้ไปทอดพระเนตรเห็นบนรรพชิตคือนักบวตรูปหนึ่งซึ่งมีอากับกิริยาสงบเรียบร้อยทรงเกิดศรัทธา แล้วก็จึงได้ตรัสถามพ้นนายสรถีว่าบุคคลนี้ชื่ออะไรนายสรถีก็กาวทูลว่านี่คือชื่อว่าเป็นบรรพชิก ค, คือนักบวชนักบวชมีอาชีพอะไรนักบวชนี้ก็มีอาชีพทางบินธบัตรเลี้ยงชีวิตเฉพาะตนเองผู้เดียวเท่านั้นไม่มีครอบไม่ไม่มีครอบ ม, ม, มีครัวไม่มีบุตรภันยาพระองค์ทรงได้ทราบอย่างนี้ก็แล้วจึงมีพระไทยยินดีในการเป็นพันแอบรรพชัยอย่างยิ่ง โดยเหตุมองไปเห็นว่าการถือเพศเป็นบนรรพชิตนี้เป็นมีช่องว่างมากเลี้ยงแต่เพียงตัวคนเดียวนอกนั้นเวลาเหลือมากพอที่เราจะแสวงหาโมกธรรมทำเป็นเครื่องพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้แต่ในเพศคารว่า น, นี้คับแคบมากเต็มไปด้วยอารมณ์หรือเต็มไปด้วยอารมณ์ที่มีทั้งความโกรธความลุ่มหลงงมงาย แล้วก็มีพ้นทางเวลาน้อยที่จะค้นคว้าถึงโมฆธรรมนี้เพราะต้องหากินในทางเลี้ยงชีพตัวเองและก็เลี้ยงครอบครั ว, รวต่างๆช น, นิดเพื่อจะให้เป็นสุขจึงมีเวลาน้อยเพราะนั้นเห็นเวลาช่องว่างของบรรพชิตนี่การบวชนี่มีเวลามากจึงพอใจในการบรรพชาดังนั้นในครั้งที่สี่นั้นพระองค์ก็จึงได้เสด็จไปจนถึงพระราชอุทยาน ทรงกระชมทรงชมดอกไม้นานาพันธุ์ชมนกชมไม้ชมสระน้าอันใสสะอาดพร้อมด้วยขาราชบริพานและสนมนางกำนันทั้งหลายสเสด็จอยู่กระทั่งจนตลอดวันในเวลาเย็นนั่นเองก็จึงได้เตรียมตัวที่จ ะ, สะเสด็จกลับพระนครในเวลานั้นพระนางเจ้ายาโสธลาพระราชเทวีหรือพิมพานั่นแหละก็ได้ประสูตรพระราชโอรส น, นททีประสาทแห่งฤดูฝน พระเจ้าสุดพระเจ้าสุดโทนะก็จึงรับสั่งให้ราชบุรุษนี้นำข่าวนี้มาทูลแก่พระเจ้าเจ้าชายสิทธามุมารณพระราชอุทยานเจ้าชายสิทธามุมาพรพอทราบข่าวเช่นนั้นเองโดยตนเองนั้นมุ่งหวังในการที่จะ บ, บันประชาแต่พอมารับข่าวลูกชายพระโอรสในไดประสูติแล้วจิ่งได้ตรัตทูลทานออกมาว่าลาภลังชาตังห่วงเกิดขึ้นแล้ว พันธนังชาตังเครื่องพันธนาการเกิดขึ้นแล้วแก่เราอาศัยเหตุนี้แหละพระโอรสพระองค์นั้นจึงได้มีนพระนามว่าพ่อลาหุนราหุนกุมารลาหุนนี่ก็แปลว่าบ่วงเรียกว่าเจ้าชายบ่วงดังนั้นพระองค์ก็จึงได้เสด็จ ก, กับพระราชนิเวศทรงประทับ บุรุษราชรถนั้นจนถึงประสาทแล้วก็ทรงกระทําประทักษิณประสาทนั้นถึงสามหลอดในขณะที่เจ้าชายศิษฐกุมารนั้นพร้อมด้วยราชบริพารเสด็จกระธรรประทักษิณประสาทนั่นเองนางขติยากรยาพระองค์หนึ่งพระนามว่ากีสาโคทมีซึ่งพระนาง น, นั้นก็เป็นพระราชธิดาแห่งพระนานามประทับยืนเยี่ยมหน้าต่าง ประสาคือเบี่ยมที่ศีหบัญชร อ, อยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาบุรุษแล้วก็ทรงมีปีติโสมนัสจึงกรับชมพระราชกุมารเจ้าชายศีถะองนั้นนะว่าเจ้าชายพระองค์นี้เป็นพระโอรสของพระราชมารดาใดพระราชมารดาองค์นั้น ก็สามารถที Son ่จะดับได้เสียซึ่งหะไทยอันเป็นทุกข์เป็นพระราชโอรสของพระราชบิดาองค์ใดพระราชบิดาองค์นั้นก็สามารถดับได้เสียได้ซึ่งหะไทยอันเป็นทุกข์เป็นพระพัสดาเป็นพระพัสดาของพระนาลีใดนาลีองค์นั้นก็สามารถที่จะดับได้เสียซึ่งหะไทยอันเป็นทุกข์เจ้าชายสิทธะกุมาร ได้สดับคําเช่นนั้นแล้วก็พอพระไทยทรงสดับคําเช่นนั้นแล้วก็พอพระไทยคือพิจารณาด้วยปัญญาอันประจักษ์ดูพระองค์เองว่าเมื่อดับกิเลสและบาปกรรมทั้งปวงได้แล้วฮะทายที่เป็นทุกข์ก็ไปอันดับศูนยไปพระองค์ก็พอพระไทยในเพลงขับยิ่งนะักก็จึงได้ถอดเครื่องบรรณาการจึงได้ถอดเครื่องประดับที่พระศอคือสร้อยพระศรนั่นแหละ ทรงให้ราชบุรุษนำไปถวายเพื่อบูชาจริยคุณแก่พระนางกีสาโคตมีนั้นด้วยสาคัญว่ า, าแก่พระนางกีสาโคตมีนั้นโดยฐานะที่บูชาความเป็นอาจารย์ที่สอนให้ตนเองนั้นรู้จักการดับทุกข์พระนางกีสาโคตมีนั้นสำคัญว่าเจ้าชายสือธากุมานั้นมีพระไทยปฏิภัสสเนหา กินมอบสอยพะสะให้ก็เกิดโสมนัสยินดีเป็นอย่างยิ่งเจ้าชายศีิษานั้นก็ได้เสด็จขึ้นประสาทไปประทับที่ประทับของพระองค์นั้นในเวลาพบคำคำเมื่อทรงพักผ่อนอิริยาบถเป็นที่สำรานพระฤทัยแล้วก็ได้เสวยพระกยาหารแล้วเสด็จเข้าบรรทมที่บรรทม บรรดาพวกนางสนมกำนันทั้งหลายก็ฟ้อนล้ำขับล้อมบำเลอประโคมดนตรีต่างๆแต่ว่าพระองค์นั่นก็พอพระไยัยคิดแป่แต่ในเรื่องการบนรประชาจึงไม่ได้ส่งยินดีนะักไม่ได้เพลิดเพลินเกี่ยวกับเรื่องการลำขับล้องของพวกนางสนมแต่ประการใดเหมือนกับในวันก่นกอน เมื่อพระองค์ทรงบรรทมหลับไปประมาณครู่หนึ่งพวกสนองกำนันทั้งหลายก็จึงได้หยุดฟ้อนรำขับร้องแล้วก็พากันเองกายหลับไปบางนางนั่นก็นอนทับเครื่องดนตรีนอนน้ำลายไหลอ้าปากบางนางนั้นก็นอนเกินเหมือนก็เสียงกาบางนางนั้นก็เขี้ยวเขี่ยวฟันขบฟันบางนางก็ละเมอบ่นเพ้อพึมรมส่วนบางนางนั้นก็เปรยกาย ความหนามีอาการวิปริตไปต่างๆนานาเจ้าชายศรีถากุ ม, มารทรงตื่นขึ้นในระหว่างกลางคืนนั้นขณะนั้นไฟก็ยังสว่างอยู่ทอดพระเนตรเห็นอาการวิปริตของนางสนมกำนันเหล่านั้นแล้วก็เกิดความเบือนหน่ายในคลาวาดยิ่งขึ้นไปอีกทรงเห็นปราาทพระราชวังของพระองค์นั้นเหมือนกับป่าชา้าผีดิบซึ่งมีซากศพเกลื่อนกลมอยู่ทั่วไป จึงมีพระไทยที่น้อมไปในการบรรพชา ย, ยิ่งขึ้นก็ตัดสิงพระไทยที่จะเสด็จออกบรรพชาในคืนวันนั่นเองดังนั้นพระองค์ก็จึงได้รับสั่งให้นายฉันนะอาํามรัดไปเตรียมผูกม้ากันตกะไว้เพื่อที่จะใช้เป็นพาหนะในการเสด็จออกจากพระนครม้ากันตะการนั้นถางกล่าวว่ามีสีขาวบริสุทธิ์ดุจจักสรงที่ขัดใหม่ๆ แต่สีษะมานันสีดำสนิทเหมือนกับสีกาขนรอบปากขาวม่านั้นขาวบริสุทธิ์พุดพองดุดไส้ของยาบป้องความยาวของมานันตั้งแต่ค อ, อตั้งแต่คอไอ้ตั้งแต่ศีษะจดปลายหางนั้นประมาณสิบแปดศอกสูงพอมโอความยาว ม้านี้ทัานกล่าวว่ามีกําลังมากควรที่จะเป็นราชพาหนะของพระเจ้าจากักรพรรดิในขณะที่ น, น, นายชนะไปผูมกม้ากันตะกะอยู่นั้นเจ้าชายศิษถาก็มีประสงค์จะทอดพระเนตรพระพักของพระลาหุลราชโอรสเพราะเห็นว่าตนไปครั้งนี้อาจจะนานกว่าที่ด้กลับมาดังนั้นพระองค์ก็จึงได้เสด็จเข้าไปอย่างห้องบรรทมของนางพิมพาซึ่งเปิดประตูห้องไว้ ห้องบันจมของพระนาง น, นั้นก็ยังมีไฟสว่างอยู่พระองค์ก็เข้าไปทอดพระเนตรเห็นพระนางพิมพานั้นกำลังบันทมหลับสนิทอยู่แต่ทอดพระกรนั่นเหนือพระเศียรของพระราชโอรสก็ทรงหยุดประทับยืนอยู่คิดจะใคลไปยกปรหัสของนางพระนางพิมพาออกเพื่อจะดูหน้าพระโอรสก็กลัวว่าพระนางนั้นจะตื่นขึ้น เดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อการบรรพชาดังนั้นก็จึงได้ตัดพระทยสิว่จึงได้ดำลึกขึ้นว่าอย่าเลยต่อเมื่อสำเร็จพระสัพพัญญุตยานซึ่ก่อนคยกลับมาทัศนาลูกของเราใหม่ดังนั้นก็จึงได้เสด็จลงจากพระศาสดของพระนางพิมพานั้นไปยังมา ก, กันกะกะ ซึ่งมีนายชนะผูกเตรียมไว้สเสด็จทรงมากันตะการนั้นออกจากพระนครไปในราตรีนั่นเองซึ่งในร า, าตรีนั้นเป็นราตรีแห่งวันอาสาระาพุนนมีเพนเดือนแปดคึ้นสิบห้าคำขณะที่พระองค์ทรงมา ก, กันากะออกจากพระนครอันมีนายชน ะ, สะเสด็จติดตามไปด้วยนั้น พยาวสุวดีมารก็ได้มาขวางอมาขวางตรงพระพอัภพพักของพระองค์ตรงหน้าของพระองค์ก็จึงได้ตัดห้ามว่าสิทธะกุมารอท่านอย่าได้ออกเป็นประชาะเลยอีกเจ็ดวันเท่านั้นจักรตนะอันเป็นทิพย์จะปรากฏกับท่านการที่พยาวสุวดีมานห้ามเช่นนี้ก็โดยมาคิดว่าสิทธะกุมาร น, นี้ จะพ้นมิสัยของตัวไปของตัวเองไปเสียเพราะฉะนั้นจะต้องทำอันตรายต่อการบรมชาแต่ว่าพระโพทิตั์นั้นก็จึงรับ ต, ตอบว่าท่านจงไปเเถิดเราไม่ปรารถนาจเจ้าพัดอิสมบัติหลักเราปรารถนาที่จะยังหมื่นโลกธาตุนี้ให้หวันไหวในการที่เราได้พุทธรัตนสมบัติแล้วก็เดชเดจผ่านทรงมานั่นผ่าน พนาครถึงสามพนาครไปขึ้นหนึ่งกรุงก บ, บิลพัทสองเมืองสาวัตถีสามเมืองเวสาลีสิ้นหนทางถึงสามสิบยนดเจงบรรลุถึงแม่น้ำอโนมาณทีซึ่งอยู่ณพรมแดนของพนาครทั้งสามในเวลาใกล้ลุง่ง พระองค์ก็จึงในตรามในชนะว่าแม่น้ํานี้ชื่ออะไรในชนะก็กราบทูลว่าแม่น้ํานี้ชื่ออนโนมาณทีพระองค์ก็ดำลิกว่าคําว่าอนโนมาณทีนั้นหมายถึงเป็นแม่น้ําอันเลิศหาสิ่งใดเสมอเหมือนมิได้ทรงเห็นว่าการบัญชาบรรประชาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เลิอหาสิ่งเสมือนเหมือนมิได้สมกับแม่น้ําสายนี้เหมือนกันพระองค์ทรงดำลิเช่นนี้แล้วก็จึงได้ควบม้ากันตะนั้น ถ้าแม่น้ำไปยังฝั่งฝั่งโน้นโดยปลอดภัยแล้วก็เสด็จลงจากหลังม้า ก, กันตกะประทับนั่งอยู่บนทรายกองทรายอันขาวสะอาดดุดเงินยวงที่มริมฝั่งแม่น้ำอโนมาทนานอโนมานาทีนั้นพระองค์ได้ทรงถอดเครื่องประดับแล้วพระราชธะแล้วก็สั่งมอบให้แก่นายชนะและเราสั่งให้ในายชนะนี่นำม้ากลับ กลุกบิลพัคือถอดเสื้อผ้าพระราชทานให้แก่นายชนะเลยแล้วให้นายชนะนี้นำมากับกลุ่มกบิลพัทเพื่อเป็นการแจ้งข่าวนี้ให้แก่พระราชบิดาด้วยเมื่อนายชนะกลับไปแล้วนาที่ลืมฝั่งแม่น้ำอโนมานนาทีนั่นเองพระองค์ก็มาทรงพิจารณาว่า เกษานี้หรือผมของพระองค์นี้มิควรแกเพศบรรปชิดดังนั้นพระองค์ก็จึงจับพระขันด้วยพระหัตถ์เบืองขวาแล้วพระหัตถ์เบงซ้ายก็จับพระเมาลีของพระองค์แล้วทรงตัดด้วยพระขันพระเกษาที่เหลืออยู่นั้นประมาณอยู่สององคุลีก็เดย ม, ม้วนกลมเป็นทักกินาวัดทุกทุก เส้นทั่วทั้งพระเสียงของพระองค์ตั้งอยู่ตราบเท่าพระปรินิพานและมสัสโลมานั้นก็ปรากฏพอสมควรแก่พระเเคสาเมื่อทรงตัดพระเกคสาเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะได้ตัดสลู่หรือจะได้สําเร็จเป็นอตัดสลู่เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าและไส ขอให้เกให้อยู่เกษาของเขาไปเจ้านี้จงอย่าได้ตกมาอย่างพื้นเมื่อพระองค์ทรงอธิษฐานให้ลอยอยู่ในอากาศเมื่อพระองค์ทรงอธิษฐานเช่นนี้แล้วก็จึงได้จับพระเกษาอันจึงได้โยนพระเกษาพร้อมด้วยผ้าโพกผเสียนนั้นขึ้นไปในอากาศขณะนั้นเองพระอินทได้ทรงทราเพจเช่นนั้นขึ้น ก็จิงได้เสด็จลงมาจากสวรรค์แล้วก็นำพระอกแก้วเนี่ยมารองรับพระเกศเมาลีของพระโพธิสัตว์แล้วก็ได้อัญเชิญเข้าไปดังสวรรค์ชั้นดาวดึงสร้างพระเจดีย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างด้วยแก้วผลึกทั้งองค์แล้วก็ได้บรรจุพระเกสาพร้อมทั้งผ้าโพกนี้ไวในพระเจดีย์นั้น ดังนั้นพระเจดีย์นั้นก็จึงได้นามชื่อว่าจุรามณีมหาเจดีย์ซึ่งอยู่ตั้งอยู่ณซึ่งสถิตยอยู่ประดิษฐานอยู่ณดาวดึงเทวโลกนั่นเองในการนั้นท้ามหาพรหมองค์หนึ่งชื่อว่าคติกาพรหมซึ่งเคยเป็นสหายแก่พระพูธิสัตว์ ครั้งสวยพระชาติเป็นโชติปาระมนกเคยบำเพ็ญเพียร เ, เลือร่วมกันร่วมกันมาในการที่ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ทราบว่าพระโพธิสัตว์นี้กำลังจะเสด็จออกบรรพชาก็จึงได้นำเครื่องอัฐบริขารมาถวาย จึงได้นำเครื่องอัฐบุทีวารอาัฐบริขารมาถวายพระโพธิสัตว์นั้นก็จึงได้ทรงไตรจีวรผากาสาวพัฒอธิฐานเพศบรรพชาณลีมฝั่งแม่น้ำอะโนมานทีนั่นเองในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดใกล้ลุง แล้วพระองค์นั้นก็จึงได้มอบพ่อผูษสาผ้าทรงทั้งคู่ที่ยังนุ่งในคราวในครั้งเป็นพระรหัสอยู่ที่ยังเหลือติพระตายอยู่อีกคู่หนึ่งมอบภยเท้าคติกาวพรมไปเป็นที่ระลึกเท้าคติกาพรมนั้นก็จึงได้นำผ้าคู่นั้นแหละขึ้นไปยังพรมมโลกและได้ไปสร้างพระเจ ด, ดีย์ได้องค์หนึ่ง บรรจุไว้ในพระเจดีย์นั้นพระเจดีย์นั้นก็จะชื่อว่าทุสเจดีและทุสเจดีซึ่งประดิษฐานอยู่ในพรมโลกนั้นองค์พระมหาบุรุษหรือพระโพะธิสัตว์นั้นพระองค์ก็ได้อธิษฐานเพศบพรรพชาแล้วโดยการที่ทรงอธิษฐานเพศ เป็นนักบวชในวันขึ้นสิบห้าคำเดือนแปดนั้นแล้วพระองค์ก็ได้อยู่ณยังสถานที่นั้นเป็นเวลาประมาณถึง1่งสัปดาห์คือเจ็ดวันโดยการที่เสวยปีติสุขอันเกิดแต่บรรพชานั้นดังนั้นในปริเฉตที่หก อันวาดด้วยการบรรพชาของพระองค์ก็จบแต่เพียงแค่นี้ขอความเจริญพาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านขอเจริญพร